ตอนที่หกสิี่ฮิมะโปรยปลายกับเกี้ยวร้อนร้อนซื้อให้เด็กๆ ก, ก็พอแค่ฉันไม่เอาหรอกอีกอย่างคือตอนนี้หลี่ชิงถิงกำลังตั้งคันเสื้อผ้าชุดไหนก็ใส่ได้ไม่นานหากซื้อตอนนี้คงไม่เหมาะไว้ค่อยว่ากันวันหลังดีกว่าชิงถิงแม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนประหยัดแต่แม่จะบอกให้นะเป็นผู้หญิงเนะื่อต้องรู้จักดีกับตัวเองบ้างจะรักลูกรักผัวน่าได้แต่เจ้าต้องรักตัวเองให้มากกว่าเจ้าชุนฮวาเอ่อยด้วยน้ำเสียงจริงจังดูเสื้อผ้าที่เจ้าใส่อยู่สิไม่รู้ว่าเป็นแบบเก่ากี่ปีมาแล้ว เจ้ายังสาวยังสวยแต่งแบบนี้มันไม่น่าดูหรอกนะัควรจะหัดแต่งเนื้อแต่งตัวบ้างไม่ใช่แต่งให้ผู้ชายดูแต่แต่งให้ตัวเองดูทุกคนที่ส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองแต่งตัวสวยๆจิตใจจะได้เบิกบานลิชิงพิงรู้สึกว่าตนเองช่างโชคดีที่ได้เจอแม่สามีที่ดีเช่นนี้นางไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าแม่สามีบ้านไหนจะดีขนาดนี้อย่าว่าแต่ให้ลูกสะพ้ยซื้อเสื้อผ้าเลยแค่จะใช้เงินสักเหมาเดียวก็งกจนใจจะขาดแล้วรอฉันคลอดลูกก่อนค่อยซื้อคะ่ะ มุมปากของหลีชิงถิงผุดรอยยิ้มบางๆแม่ข้ฉันพบว่าแม่ไม่เหมือนแม่สามีคนอื่นเลยไม่เหมือนตรงไหนเจ้าชุนฮาวาสงสยัยแม่ดีเกินไปค่ะแค่ดีก็นับว่าไม่เหมือนแล้วหรือเจ้าชุนฮาวาหัวเราะออกมาค่ะหลีชิงถิงพยักหน้ายืนยันว่าไม่เหมือนจริงๆแม่ไม่มีลูกสาวอีกอย่างรับลูกสะใภ้เข้ามาก็ควรจะดูแลให้ดีลูกสาวบ้านอื่นแต่งเข้ามาบ้านเราหากแม่ทําไม่ดีกับเขาและลูกสะใภ้กับลูกชายจะใช้ชีวิตคู่กันรอดได้อย่างไร มีแต่ต้องทําให้ลูกสะพ้ยมีความสุขชีวิตของลูกชายทั้งสองคนถึงจะร่มเย็นเป็นสุขเจ้าชุนฮาวากล่าวนางไม่ได้ดีแค่กับหลีชิงผิงเท่านั้นแม้แต่ลูกสะพ้ยคนโตที่จากไปแล้วนางก็รักใคร่เหมือนลูกสาวแท้ๆตอนที่ทั้งคู่เสียชีวิตไปนางแท้จะใจสลายข้าแม่แม่พูดมีเหตุผลวันหน้าหากฉันได้เป็นแม่สามีคนอื่นบ้างฉันจะเรียนรู้จากแม่คะ่ะอะไรกันเจ้ามั่นใจขนาดนั้นเลยหรือว่าในท้องเป็นลูกชายเจ้าชุนฮาวาจับประเด็นสําคัญได้หรือจะเป็นจริง ชาตินี้นางเกิดลูกชายมาสองคนลูกชายคนโตก็ทิ้งหลานชายไวใ้ให้อีกสาคนลูกที่ชิงถิงกาลังท้องอยู่คงไม่ใช่ลูกชายอีกหรอกนะโบราณว่าแม่ลูกใจสื่อถึงกันตอนนี้นางน่าจะรู้สึกได้บ้างแล้วลีชิงถิงไม่คิดว่าแม่สามีจะมีปฏิกิริยาใหญ่โตขนาดนี้นางพยักหน้าเบาๆข้าฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแค่รู้สึกว่ามีโอกาสเป็นลูกชายสูงนั่นไงเป็นลูกชายแน่นอนเจ้าชุนหวาตบมือเข้าหากันพางแบมืออย่างจนใจเซ ว, วันของเราถูกกาหนดมาให้เป็นเด็กผู้หญิงเทียงคนเดี ย, ดยวในรุ่นถัดไปจริงๆ แม่คะแม่ชอบหลานสาวหรือคะแม่ไม่มีลูกสาวเองแน่นอนว่าย่อมต้องลําเอียงไปทางหลานสาวมากกว่าแต่เจ้าอย่าคิดมากนะแม่ก็แค่คิดไปตามประสาจะเกิดเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเจ้าชุนฮวาได้เห็นลูกชายคนเล็กเป็นฝั่งเป็นฝานางก็มีความสุขมากแล้วลีชิงผิงยกมือขึ้นลูปหน้าท้องดูเท่าว่าครั้งนี้แม่สามีคงต้องผิดหวังเสียแล้วแม่ค่ะข้างนอกหิมะตกแล้ว หลีหวานวิ่งเข้ามาในห้องด้วยความตื่นเต้นก่อนจะข่ามิติมานางใช้ชีวิตอยู่ทางใต้ไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนเลยแถมดูท่าทางครั้งนี้จะตกหนักไม่เบาเกล็ดหิมะโปรยปลายลงมาเป็นสายพอตกถึงพื้นก็ละลายกลายเป็นน้ำทันทีนางสวมเสื้อขนเป็ดมือและใบหน้าแดงก่ำเพราะความหนาวจริงหรือเจ้าชุนทวาเหลือบมองออกไปข้างนอกเห็นเกล็ดหิมะไร่รำอยู่จริงๆพอหิมะตกอากาศคงจะหนาวจัดขึ้นอีกคุณย่าขย่าว่าหิมะจะตกถึงกี่โมงเราจะปั้นตุ๊กตาหิมะได้ไหมคะ หลีหวานถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกถึงกี่โมงแต่ดูทรงแล้วคงไม่หยุดง่งายๆหรอกหิมะแรกของปีมักจะไม่หนามากตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงที่หนาที่สุดธิมัะยังไม่เกาะตัวหรอกลูกอ้าวลีวานแสดงสีหน้าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดงั้นหรือคะทุกระดูหนาวก็ได้เห็นหิมะทั้งนั้นแหละไม่เห็นมีอะไรแปลกเจ้าชุนฮวายิ้มชิงทิ้งเวลาเจ้าออกไปข้างนอกต้องระวังให้มากนะมันเลื่อนจะล้มเอาได้ง่ายๆทางที่ดีอยู่แต่ในห้องอย่าออกไปไหนเลย ค้แม่ฉันทราบแล้วเมื่ออากาศหนาวขึ้นในห้องก็เริ่มจุดเตาผิงเตียงเตาข้างทุกห้องมีเตียงเตาเพียงแค่จุดฐานหินเข้าไปในห้องก็จะอบอุ่นขึ้นมากลีหวานเหอหิมะข้างนอกมากแทบจะไม่ยอมอุดอู้อยู่แต่ในห้องเลยพ่อหิมะตกก็อยากกินเกี๊ยวเจ้าชุนฮวาจึงตั้งใจว่าเย็นนี้จะห่อเกี๊ยวกันลิชิงผิงมาช่วยนางห่อด้วยเจ้าชุนฮวาเอาแต่ปากหวานชมลูกสะใภ้ไม่ขาดปากว่าทํางานคล่องแคล่วเจ้าห่อเกี๊ยวพวกนี้ยังไงกันนะ แค่บีบเบาๆก็เสร็จแล้วแถมเกี้ยวที่ห่อออกมายังไส้แน่นแป้งบางอีกต่างหากก็บีบแบบนี้ไงคะลีชิงพิงสาธิตให้แม่สามีดูวิธีนี้เราที่สุดแค่ชั้นยิงทําได้อีกหลายแบบเดี๋ยวฉันจะลองทําให้แม่ดูนะคะเจ้าชุนฮวามองดูนางที่หยิบจับอะไรก็ดูประหนี่ไปหมดแค่เรื่องห่อเกี้ยวก็ดูออกแล้วมาสอนแม่หน่อยสิแม่คําแม่ก็ห่อสวยเหมือนกันค่ะแม่สามีและลูกสะใภ้ช่วยกันห่อเกี้ยวพลางคุยสเปเรอยู่ในห้อง ส่วนหลีหวานที่อยู่ข้างนอกก็ยืนจ้องมองกระถิมะที่ร่วงหล่นมาจากฟ้าฟ้าตาไม่กระพริบตอนที่เจิ้งเศร้าเหงิงกลับมาเขาก็เห็นหลีหวานในสภาพบื้บื้อแบบนั้นนางสวมเสื้อขนเป็ดตัวยาวสีดำดวงตาสประกายสดใสยืย่นมือออกไปรับกระถิมะอย่างไม่รู้จักเบื่อจมูกของนางแดงกำ่ำเพราะความหนาวแต่ดูเหมือนนางจะไม่รู้สึกรู้สารอะไรเลยวันนี้เธอไม่ไปโรงเรียนอาจารย์ถามว่าเธอป่วยหรือเปล่าท่านยินปราณจะมาเยี่ยมเธอที่บ้านให้ได้และพี่บอกอาจารย์ว่ายังไงคะ หลี่หวานย้อนถามก็พูดความจริงเจิ้งเซาเหิร์รู้สึกเลื่อมใสหลี่หวานจริงๆนางไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่คะแนนสอบแต่ละครั้งกลับติดอันดับต้นๆแถมยังได้คะแนนเต็มทุกครั้งเหมือนไม่มีโจทย์ข้อไหนจะทําอะไรนางได้เลยหากตอนนี้สามารถเข้าสอบก็ข่าวได้เขาคาดว่าหลี่หวานไปสอบตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหานางเป็นพวกอัจฉริยะโดยกําเนิดชัดๆแต่การที่นางเอาแต่อยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนแบบนี้เจิ้งเซาเหิรนก็กลัวว่านางจะทิ้งการเรียนไปเสียก่อน พรุ่งนี้เธอจะไม่ไปโรงเรียนจริงๆหรือตอนนี้ฤดูหนาวมันหนาวเกินไปตอนเช้าฉันตื่นไม่ไหวหรอกคะ่ะหลหวานตอบโดยไม่แม้แต่จะชายตามองเขาไม่อย่างนั้นก็คงต้องไปสายหน่อยพี่ไม่ต้องรอฉันหรอกฉันจะไปหรือไม่ไปก็มีค่าเท่ากันเธอไม่คิดบ้างหรือว่าถ้าเธอไปนั่งเรียนในห้องคะแนนสอบที่ออกมามันจะดียิ่งกว่านี้ดียิ่งกว่านี้เจ้งเศร้าเหิงถึงกับจุกจนพูดไม่ออกเออจริงด้วยดูเหมือนนางจะไม่มีพื้นที่ให้คะแนนเพิ่มขึ้นไปกว่านี้ได้อีกแล้ว ฉันเข้าใจความหมายที่พี่จะสื่อเข้าไว้รอสอบเกาข่าวเสร็จค่อยว่ากันตอนนี้ฉันรู้สึกว่าการไปโรงเรียนมันเสียเวลาสู้เอาเวลามาเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าหลีหวานกล่าวการเรียนรู้นั้นไร้ขอบเขตค่ะการเรียนรู้นั้นไม่มีจุดสิ้นสุดเจิ้งเซาเหิงพี่ใหญ่น้องเล็กพวกพี่มายืนทําอะไรตรงนี้กันนะอากาศหนาวขนาดนี้ทําไมไม่เข้าบ้านเจิ้งเซาซิงกลับมาจากโรงเรียนเขาสะพายกระเป๋านักเรียนพางทาเสียงซีซาร์เพราะความหนาว หนาวชะมัดอากาศผีเข้าผีออกนี่ก็เหลือเกินไม่รอให้ผมกลับถึงบ้านก่อนค่อยตกดันมาตกเอาตอนนี้แล้วเจ้าสองละ่ะเจ้างเศร้าเหิงเห็นเขากลับมาคนเดียวที่รองอยู่ข้างหลังครับผมทนหนาวไม่ไหวเลยวิ่งล่วงหน้ามาก่อนในช่วงคําบ้านทั้งหลังก็พันคึกคัก ข, ขึ้นมาทันทีเกี้ยวในหม้อใบใหญ่ต้มเสร็จในคราวเดียวพอเจ้างอาวิน๋นโฉงกลับมาเกี้ยวร้อนๆที่ส่งกลิ่นหอมฉุยก็ตักขึ้นจากหม้อพอดีไอพ่นสีขาวอบอวนไปทั่วทั้งห้อง